เรื่องใช้บาดดันหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความกำหนัดใช้บาดดันหญิงท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังคาที่เศษหรือหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังคาที่เศษแต่ต้องอบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่18ด